คือให้จิตใจเป็นศีลเป็นวัดให้กายวาจาเป็นศีลเป็นวัดถึงกันดังนี้ศีลก็จะไม่ขาดเป็นท่อนไม่ขาดเป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อย เป็นไทยไม่เป็นาธาตุของตันหาวิญยูชนสันเสริญวิญยูชนก็คือผู้รู้ตนเองเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวิญยูชนผู้อื่นเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวิญญาตวินยูชน วินยูชนย่อมไม่ติเตียนอันหมายถึงว่าทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นที่เป็นวิญญูชนก็ไม่ติเตียนโดยศีลได้และเป็นไปเพื่อสมาธิ คือศีลและวัดนั้นยิ่งปฏิบัติจิตก็ยิ่งสงบทำสมาธิได้สะดวกดังนี้จึงมีคำเรียก เช่นนี้ว่าอริยกันตสีน์สีลที่พระอดีตเจ้าใครศีลที่พระอดีตเจ้าปรารถนาไม่เป็นศีลพตปรามาัดแต่ว่าเป็นศีลนวัดที่บริสุทธิ์อันจะเรียกได้ว่าเป็นศีลวิสุทธีความหมดจดแห่งศีล วัตตวิสุทธิความหมดจุดแห่งวัตตปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นศีลปรรมะไม่เป็นวัตตธรรมาะการปฏิบัติในศีลในวัตปฏิบัติต่างๆจึงสมควรที่จะปฏิบัติ ให้เป็นไปในลักษณะดังกล่าวมานี่ตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ต้องไม่ปฏิบัติในศีลและวัดภายนอกพุทธศาสนาต่างๆอันเป็นการถือขลังโดยตรง เหมือนอย่างปฏิบัติตามที่บุคคลภายนอกพุทธศาสนาแนะนำหรือบุคคลภายในพุทธศาสนานี่เองแต่วันแนะนำข้อปฏิบัติที่เป็นภายนอกพุทธศาสนาดังที่ปรากฏกันอยู่โดยมากก็ให้ละ ศีลปฏปรามาดอย่างหยาบแค่นี้ก่อนมาปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาโดยตรงฟังคำแนะนำของผู้อื่นได้เมื่อเขาแนะนำให้ปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาก็รับมาปฏิบัติได้แต่ว่าแม้ปฏิบัติ ในศีลและวัตี่เป็นภายในพุทธศาสนานี้ก็ยังมีการถือขลังประกอบอยู่ด้วยถือว่าศีลในวัดเป็นของขลังที่จะบาบัดทุกภัยต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะอำนวยให้เกิดโชคลาภอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น แต่แม้เช่นนี้การปฏิบัติที่เป็นศีลในวัดนั้นถูกต้องก็ใช้ได้แต่ว่าก็ยังหยาบอยู่นั่นเองก็ต้องให้พยายามที่จะละการถือครั้งดังนี้มาเป็นการถือว่าศีลก็เป็นศีลวัดก็เป็นวัดเพื่อละกิเลสโดยตรงไปโดยลำดับ ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในศีนลในวัดที่ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้าอีกและในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องคอยรักษาศีลในวัดเพราะว่ายังมีศัตรูคือบังเกิดขึ้น คอยที่จะชักจูงให้ละศีลและวัดอยู่หนึ่งๆจำเป็นที่จะต้องมีสติต้องมีวิริเยเจตนาอันเข้มแข็งสำหรับที่จะต่อสู้กับบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายมันเป็นเครื่องชักนำเหล่านั้นเพราะฉะนั้น จะพึงเห็นได้ว่าในขณะที่สติอ่อนวิรัติเจตนาอ่อนตลอดจนถึงปัญญาอ่อนกิเลสมีกำลังแรงผู้ปฏิบัติในศีลและวัดก็ยังขืนปฏิบัติก็ต้องต่อสู้กับกิเลส ฉะนั้นจึงปรากฏว่าไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติศีลและวัดจิตใจกลุ่มกลัดจิตเองก็ไม่เป็นศีลเป็นวัดสมาธิเองก็ไม่ได้จะทำใจให้สงบไม่ได้ ยังจะพึงเห็นได้จากบรรดาผูที่บวดอยู่หรือถือศีลอยู่แต่ต้องการที่จะละศีลต้องการที่จะสึกแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะละศีลหรือที่จะสึก จิตก็ไม่ได้ความสงบคือไม่ได้สมาธิแต่ก็ไม่เด็ดละทิ้งศีลในขณะนั้นแต่ว่าศีลที่รักษาอยู่ในขณะนั้นต้องเป็นไปโดยที่ฝืนใจคาว่าฝืนใจนั่นก็คือว่าฝืนใจที่มีกิเลสนั่นเอง ก็ไม่ได้สุขจากศีลไม่ได้สมาธิจากศีลจิตก็กลุ่มกลัดวุ่นวายจนสึกเสียได้หรือว่าละศีลเสียได้ก็ดูเหมือนสบายไปแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่สบายไปแต่ว่าเป็นทุกข์ไปด้วยความที่ไม่รู้ ว่าการปฏิบัติไปตามกิเลสนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขติแท้จริงรักษาศีลแบบนี้แหละเรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลยังไม่เป็นศีลถึง จ, จิตใจเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดที่จะรักษาศีลให้ถึง จ, จิตใจ ให้ได้สุขจากศีลให้ได้สมาธิจากศีลดังนี้จึงจะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแต่จะเป็นศีลดังนี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติข่มกิเลสให้ได้ไม่ให้เป็นาธาตุของกิเลสที่เรียกวารักสิณไทยไม่เป็นาธาตุของกิเลสการปฏิบัติที่ให้ศีลเป็นไทยไม่เป็นาธาตุของกิเลส ที่จะให้เป็นสมาธิได้ได้สุขจากศีลได้สมาธิจากศีลดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติในศีลในวัดต่างๆซึ่งจะละกิเลสได้คือละสัญญอด์ในสามดังที่กล่าวมานั่น และการที่ยังรักษาศีลให้มีลักษณะที่เป็นไปดังกล่าวมิได้คือให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีวิจิกิจฉาคือความเครื่อแปงสงสัยอยู่ในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประงรงใน ศีลและวัดที่ปฏิบัติเองคือว่ายังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปว่าศีลและวัดที่พระพุทธเจ้าส่งสอนในปฏิบัตินั้นละทุกได้ เพราะยังไม่รู้จักว่าอะไรคือทุกข์อันแท้จริงและยังเข้าใจว่าความได้สมปรารถนาคือสมตันหาต้องการ นั่นเป็นตัวสุขเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์เรานี่เมื่อมารักษาศีลและวัดปฏิบัติในพุทธศาสนาอยู่ศีลและวัดทั้งปวงนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดคอตันหาทางนั้นขัดคอกิเลสทางนั้น กิเลสตัณหาต้องการให้ทำอย่างนี้แต่ว่าศีลและวัดนั้นให้เว้นไม่ทำดังที่กิเลสตัณหาต้องการแปลว่าขัดขอกิเลสขัดขอตัณหาและเมื่อบุคคล น, นั้นยังยึดถือกิเลสตัณหาอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรา จึง เ, เห็นว่าศีลและวัดนั้นกลายเป็นเครื่องขัดคอความสุขขัดขวางไม่ให้ได้ความสุขตามที่ต้องการจึงเป็นอันว่าไม่ได้มีความเชื่อตั้งมัน่นอยู่ในศีลและวัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อไม่มีความเชื่อตั้งมัน่น อยู่ในข้อที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมจริงประสงค์เป็นพระสงค์จริงยังมีความเชื่ออยู่แต่เพียงผิวเผินเท่านั้นยังไม่เชื่อจริงจังเมื่อเชื่อจริงจังแล้วต้องรับปฏิบัต ตามพระสงฆ์สั่งสอนเมื่อไม่รับปฏิบัติตามพระสงฆสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์จริงจังทางนี้ก็เพราะว่ายังมีความเห็นยึดถือกายของตนคือเห็นยึดถือตัวเราของเราอยู่ใน กายและใจอันนี้ในชีวิตนี้และในทุกๆอย่างก่เป็นตัวเราเป็นของเรารวมเรียกว่าเห็นยึดถืออยู่ในกายของตนเมื่อเป็นดังนี้จึงยังมีความเครือบแคลงสงสัยและยังมีการปฏิบัติในวัดและศีลทั้งหลาย เป็นการถือครั้งดังที่กล่าวมานั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีความเห็นทุกว่าเป็นทุกข์จริงยังเห็นว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา ให้ได้ถึงปัญญาที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตั้งแต่เห็นในทุกข์ขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อัญโยงถึงสมุทัยนิโรธมักจึงเป็นข้อสำคัญและเมื่อใดได้ปฏิบัติ จนมองเห็นทุกตามความเป็นจริงว่าอันตัวทุกทิดแท้จริงนั้นหมายถึงตัวสังขารคือสิ่งประสมปรุงแต่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุข ทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกทุกอย่างในโลกคือจะเป็นลาบเป็นยศเป็นส้นเสิญเป็นสุขเป็นอลาบอายศเป็นนินทาเป็นทุกข์เพื่อเป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งตลอดจนถึงตายใจอันนี้ หรือนามารูปอันนี้หรือขันห้าอันนี้อันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นเห็นเกิดระดับของสังขารทั้งหลายคู่กันไปทันที ไม่จะเห็นแต่เกิดเท่านั้นแต่เห็นดับด้วยคู่กันไปทันทีทุกอย่างเมื่อยกตัวอย่างทางอาจตนะก็เช่นว่าเห็นรูปอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของรูปนั้นทันทีได้ยินเสียงอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของเสียงนั้นทันทีดังนี้เป็นต้น จะเป็นรูปที่สวยงามไม่สวยงามอะไรก็ตามเมื่อเป็นรูปแล้วก็เกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทันทีได้ยินเสียงอะไรจะเป็นเสียงสรเสญเสียงนินทาอะไรก็เกิดดับทันทีดังนี้เป็นการเห็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวธรรมจากสุขคือดวงตาเห็นธรรม เมื่อปฏิบัติห้เห็นทุกข์ดังนี้อยู่เนืองๆก็จะทำให้ได้สติได้ปัญญามองเห็นถนัดชัดเจนขึ้นจะเป็นการสร้างธรรมะจัสุุให้บังเกิดขึ้นในตนตั้งแต่เบื้องตน้นจนถึงสามารถเป็นมักเป็นพลละสัญญอ์ได้ตั้งแต่สามขึ้นไป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 นอบน้อมนมัสการพระภูมิพร ะ, ระภาคอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นโดยตรงก็คือในสัจจะอันได้แก่ความจริงซึ่งเรียกว่า สัจธรรมธรรมะคือสัจจะความจริงและอันความจริงนั้นซึ่งเกี่ยวแก่กรรมการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจ ซึ่งบางอย่างก็เป็นอกุศลมีโทษบางอย่างก็เป็นกุศลมีคุณก็ให้ใช้สติกำหนดพิจารณา วิจัยคือแจกจำแนกให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลของกรรมที่กระทำทางวาจาทางใจก็เป็นสติเป็นธรรมวิจยะอันนับเข้าในสัมโพธิวง สติและธรรมวิจยะนี้เป็นหลักสำคัญของความประพฤติปฏิบัติทั้งปวงอันจะนำให้ละอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆได้ ให้ปฏิบัติในกุศลสุจริตต่างๆทางกายทางวาจาทางใจได้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกๆคนสมควรจะมีและก็จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้ละความชั่วกระทำความดี อันหนึ่งสัจจะคือความจริงนี้ยังจะต้องพิจารณาให้รู้จักสืบขึ้นไปอีกอันจะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความจริง ที่นับเข้าในอริยสัจคือความจริงที่ทำให้ภูรู้เป็นอริยะคือบุคคลภูที่ละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนขึ้นไปจนถึงละได้หมด แต่แม้ยังละไม่ได้ก็ทำให้มีความรู้เท่าทันจิตและอารมณ์ละกิเลสได้แม้ชั่วคราว ในขณะที่ได้มีความรู้ดังกล่าวนี้ฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ภูปฏิบัติธรรมะจะพึงฝึกหัดปฏิบัติฝึกให้เกิดปัญญาอันนับเนื่องในอริยสัจ ก็คือในทุกในทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกในทุกขนิโรธความดับทุกและในมัจคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันวิธีหัดพิจารณาให้ได้ปัญญาในทุกขสัจจจสภาพที่จริงคือทุกนี้ เป็นข้อแรกในอริยสัจพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้เป็นอันมากจนกล่าวได้ว่าเป็นพหุลานุสาสนีคือเป็นคำสั่งสอน ที่มีเป็นอันมากของพระพุทธเจ้านอกจากที่ทรงแสดงอธิบายไว้โดยตรงในหมวดทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกแล้วยังได้ทรงจับแสดงไว้อีกมาก ในที่ต่างๆและในเบื้องต้นก็ทรงยกเอาขันหรืออาญตนะหรือธาต ขึ้นเป็นที่ตั้งให้จับพิจารณาขันนั่นก็คือขันห้าที่ได้ตรัสสรุปไว้ในข้อที่ทรงอธิบาย ทุกขจัตเจโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกทคือรูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณ บางแห่งก็ทรงยกเอานามมารูปก็ขันทั้งห้านี้แหละที่ย่อลงก็เป็นนามหนึ่งรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรูปก็คงเป็นรูปยกขึ้นสําหรับที่จะให้จับพิจารณาและบางแห่งก็ทรงยกเอา อายตนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกขึ้นให้พิจารณาและบางแห่งก็ยกเอาอายตนะทั้งสองและก็ต่อถึงวิญญาณ สัมผัสและเวทนาให้จับพิจารณาอันอาจตนะภายในอาจตนะนภายนอกวิญญาณสัมผัสและเวทนานี้ เป็นข้อที่แสดงถึงกายและใจอันนี้วิจลรา ว, ว่ารูปและนามอันนี้ซึ่งเป็นไปอยู่